วงกระยงมากรใไ้ฟังมันยังได้ผลดีถ้าอยู่ไกลฟังแล้วผลมันไม่ก็ได้ดีวันนี้เป็นวันศุกร์ที่สิบเก้ารกาคมสองพันห้าร้อยสามสิบเอวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาตอนเช้าม่หนูพ่อกะพูดที่ทับลุงขวนการเข้าพรรษามีอนันยโสอย่างไร ต้องศึกษาให้รู้เวนวันนี้หลังจากการทวัดก็เลยมาพบกับพวกเราทำวัดเย็นที่วัดสนามในยี่มาถึงวัดสนามในก็ต้องพูดธรรมะและวิธีปฏิบัติให้พวกเราเข้าใจทุกคนมาที่นี่มีความตั้งใจและมีศรัทธา <c oughs> เคยศึกษาหลักพุทธศาสนามา มากแล้วพคยให้ทานเคยรักษาศิ่งเคยทำสมถะกรรมฐานและจะรู้ต้นนามากกว่ามากแล้วแต่บางคนก็ยังมีความสงสัยแต่เราไม่เข้าใจในตำหนักตำลาเราไปติดตำราติดพระใจ ต, ตีโบพระใจ ต, ตีโบมีสามตีโกคือมีพระสูตรตัณฑ์ตีโก พาะวิเนยจันทร์ติบดถ้าที่ทธํามจันตร์ติบดสามติบดนี้แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์แล้วก็ประสิทอ น, นันต์เป็นยังไงเจ้าควรกิงพระใจติบดสามปุบกก็คือการกระทำด้วยกายกายด้ยเป็นการสถาปิพระศุกร์าะวิเนยตบกก็คือคาพูดของเรานั่นเองสองติบกนี้มันมาจากใจศึกษารัพย์ใจสั่งให้รูปทำ ใจสั่งให้คำปากพูดออกมาถ้าใจไม่สั่งแล้วการกระทาการพูดจะไม่มีสาระไม่มีอะไรทั้งหมดเลยตัวเราศึกษาพระใจจิตกมันศึกษานอกตัวเราไปที่มันพ่อพูดดูพูดสั้นสั้นและนอกจากนั้นมาเราก็มาศึกษาเรื่องวิปัสสนาเรื่องปฏิปทานสิ่งทเราพูดกันอย่างนั้น เขาบอกศึกษาสติประธานสติเบากายงานุปัจนนาให้มีสติดูกายในกายจป็นสำราพูดก็อย่างนั้นเวทนาหนุปจนนาให้มีสติดูเวทนาในเวทนาจิตตาหนุปัจนนาให้มีสติดูจิตในจิตครูบาอาจารย์สอนอย่างนั้นทำนาหนุปัจนนาให้มีสติดูธรรมในธทรำรตอนนี้เราไม่เข้าใจว่าทำคืออะไร เราไม่เข้าใจทำคือการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเพื่อให้เรามีสตินี่เป็นหลักเป็นสั้นๆเป็นสูตรที่สำลบที่รัดตรงเข้าไปทีเดียวเลยไม่ต้องเสียเวลาเลยอันนี้นอกจากนั้นท่านยังสอนว่าให้มีสตุกำหนดรู้ในอินเทั้งสี่ตอนนี่เราไม่เข้าใจ แล้วก็เลยไะกำหนดบทอื่นไปให้มีสติกำหนดรู้ในอิริบุตทั้งสี่ยืนให้มีสติกำหนดรู้เดินให้มีสติกำหนดรู้นั่งให้มีสติกำหนดรู้นอนให้มีสติกำหนดรู้ท่านสอนสักนักหัวสูตรสำเร็จอันนี้ทำเพื่ออะไรทำแล้นเกิดปัญญา ดูแก่นถิ้นจรีตามพวมเป็นทิ้งทันวันนั้นเนื่อจากนั้นมาท่านสอนให้เรามีสติกำหนดรู้ในอุบบบยย้วยทุกอระบาทีเดียวไม่จักพิษตาหายใจกืืนน้ำลายเคลื่อนไหวโด ย, ย, ดยวิทธีบากตางแต่คนไม่เข้าใจแนวพวกเราก็เลยมาทำความเข้าใจกันทำเป็นจนังวะ พลิกมือขึ้นขั้วมือลงยกมือไปเอามือมาเพื่ออะไรเพื่อให้มีสติในหลงไม่ให้หลงตนไม่ให้ลืมตัวไม่ให้ลใหลงกายไปให้หลงใจคนหลงตนลืมตัวหลงกายลืมใจนั้นเรีว่าโมหะโธสะโลภะเกิดขึ้นภายในใจิตใจเมื่อเรารู้สึกตัวอยู่แล้วมีสติมีสมาธิมีปัญญากันว่าอยนะ่างนั ก็เลยมาทำจังหวะกันจังหวะลุกจังหวะนั่งจังหวะกาจังหวะหว้กันเมื่อพูดถึงตอนนี้สู้นี้เป็นสู้สำคัญเป็นของจริงและเหตุผลทุกคนต้องรูอย่างนี้ถ้าลู่นอกเหนือจากนี้แสดงว่าเรารู้ไปดนการนึกคิดอาศัยธรรมและตัวยานปัญญาเกิดขึ้นอย่างวิปัฒนาญาณ เมืดพัฒนายานตกวจขึ้นหนอนลู่แง่งเห็นจริงตามความจริงนี่มีแง่ง เ, เห็นจริงตามควมจริงแล้วกันล่วงจากภาวะเดิมต่างเก่าเมื่อต่างเก่าก็เล่วงจากภาวะเดิมที่ไม่รู้แต่ก่อนเราไม่เคยรู้หลวงพ่อทําอย่างนี้ไม่นานพูดพูดคนาจริงนะนี่เมื่อทำไปแล้วไม่กี่วันหลวงพ่อก็เลยรู้จากลูกน่น้ำแต่ก่อนรู้ ลูกนามลูกทำนานทำลูกอันนี้มันทำใจมันก็เราทําด้วยเพราะว่าใจมันสั่งให้ลูกนี่ทำอย่างว่าลูกทำนานทำนามคือจิตใจลูกโรคนามโลคเลูกอันนี้เป็นโลคเจ็บหัวปวดท้องใจก็ไม่สบายอันเนี้ยโลคอันนี้ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่ เ, เรื่องจิตใจเนี่ยแบบนี้ ใ น, นเรื่องจิตใจเราอยู่ดีกิน ด, ดีนอนดีโยกยลกคนนั้นเกลีดคนนี้จิตวินงานเป็นโลกโลกกันนี้ต้องอาศัยคําสอนของสัตบุรุษหรือบุคคลผู้ที่รู้การรู้จะมีสองอย่างคือรู้อย่างไม่รู้รู้อย่างผู้รู้รู้อย่างบุคคลผู้ที่ไม่รู้คน รี้อย่างบุคคลผู้ที่รู้กรมก็เลยรู้อย่างนี้หลวงพ่อรู้รู้อย่างนี้ก็เลยรู้เรื่องทุกการเคลื่อนไหวไปมาทุกอื้อประโยชนเป็นตัวทุกที่ดียวคิดตาก็เป็นทุกหายใจก็เป็นทุกมันคิดก็เป็นทุกหลดทุกขังมันจีบกับรูปที่เองยกขึ้นออกจากรูกปไปไม่ได้เดี๋ย ว, วทุกขังอันนี้อย่างอ น, นัตตามันเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อรู้แต่ที่แรกครูบาอาจารย์สอนว่า เจ็บหัวปวดท้องจ็บหลังจ็บแอวบ้านหลวงพอเจ็บแอลเจ็บเอวผมนิ่งปัญหาอันนั้นจัดเป็นทุกขังอันนีจณนัตตาที่แรกเรียนอย่างนั้นแต่อันนั้นรู้อย่างมันรูอ้อันนั้นไม่จัดเป็นทุกขงังไม่จัดเป็นอนิจจังไม่จัดเป็นอนัตตาอันนั้นจัดเป็นทุกขะเวทนาทุกโซโกกาทุกไข่ดำไห้เนี่ยมันเข้าใจอย่างนั้น อันนี้เป็นสูตรสำเร็จเกิดขึ้นจากปัญญาญาณเพราะการเจริญสติทำความรู้สึกตัวนี้เองระว่าพวกเรามาที่นี่วัดสนามในต้องทำกันจริงจรงจังๆลองดูมันจะรู้ว่าเป็นสูตรอย่างที่ท่านผู้รูพูดไว้ในเรื่อยๆหรือมันจะเป็นยังไงเราจะรู้เองอว่ ส, นสันที่ิโกอันผู้รู้จากผู้นี้เอ ไม่รู้อันนี้เขาเรียกสมมติขึ้นมา ท, าทันทีสมมติถือสมมติเทวดาสมมติบวชแล้วก็สุดสุดแล้วก็บวชพระพุทธลูกนี้สมมติขึ้นมาทางนั้นแต่ตรงสมมติแต่บัญญัติขึ้นมาหมวดสมมติบัญญัติปรมัดบัญญัติอัฏฐบัญญัติอริยะบัญญัติต้องรู้จักอั่างนังนง้นไม่รู้กับสมมติเลยแล้วก็รู้จักศาสนา ศาสนานั้นเร า, าคำสั่งสอนของท่านผู้รู้ใครเล่าเรื่องอนไรก็นำมาสอนคนนี้เองสอนเข้าตาสอนเข้าหูสอนให้ทุกคนละตัวทําดีอันนั้นเป็นเพียงศาสนาไม่ใช่เป็นพุทธศาสนาหนุกเพาเขาใจอย่างนั้นพุทธศาสนาพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บานรมีธรรมรู้ธรรมะคือรูกก้ตัวเราอยู่ตัว เ, เราเป็นธรรมะอยู่ท่าธรรม เมื่อรักษาผู้กระเพธ่อมไม่ให้ตดไปในที่ชัว่ววันั้นถ้าเราทําชั่วพูดชั่วคิดชั่ ว, ว, วก็ไม่ใช่ถ้าทำรักษาก็ต้องคมหลวมรักษาเป็นเมื่าาอรู้จักกันนี้แล้วหลวงพ่อรูจ้จักบาบุูบาก็คืองูนั่นเองเขาหลอกลวงตัวยังไงก็เชื่อไปไมุดตึ้งอยู่ภายในใจิตใจเราเป็นคนบา เนื้ถึงจะให้ทานรักษาศินก็ยังมีบาปอยู่เพราะจิตใจมันไม่สว่างเป็นอย่างนั้นคนรู้แต่คนอื่นจะรู้อยังไงไหนทราบน้องพ่อมาที่นี่วันนี้ก็ต้องตั้งใจพูดข่มขี่บว่าูดสําเร็จของมันจีนิงวบ่งก็คือรู้นั่นเองรู้แล้วใครจะพูดจะไม่กดตามเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราพราเรานี้ดูแล้เนี่ย น, นว่าลูเจ้จริงตามความเป็นจริงอันนี้ ทักต้นการรู้เรื่องยานของปัญญาวิปัสสนาเกิดขึ้นหลวงพ่อเลิกได้ทั้งหมดเลยหลวงพ่รู้ตอนเช้าอันนี้ที่แรกหลวงก็ต้องสูบบุหรี่หลวงพอ่อติดบุรี่เลิกตั้งแต่วันนั้นจนถึงบัดนี้เิ้นประโยชน์ติดเหลวไหลไหลสาละที่ไม่มีประโยชน์หลวงพ่อเลิกได้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงบัดนี้ใครจะว่าเช่ว ก, ก็ได้วันนีก็ได้ เรื่องคนอื่นนั้นหลวงพ่อไม่เอามายึ้งหล่พอพายึ้งเฉพาะ ต, ตัวของหลวงพ่อเองหล็งพ่ อ, อ, พอก็แก้ปัญหาตัวเองได้แต่เรื่องนี้มีไว้ในคนทุกคนไม่ยกเว้นคําสอนของพระเจ้าจึงเป็นสากลไม่เป็นของใครเป็นของบุคคลที่รู้ผู้หญิงก็รู้อย่างนี้ผู้ชายก็ต้องรู้อย่างนี้ถ้าสงฆ์องค์หนึ่งก็ต้องรู้อย่างนี้คือกาสนะชิต คือศาอสนาอ伊斯兰คือศาสนาไหนก็ต้องดู อ, งอย่างนี้อันนี้เอกเป็นความกินโดดตัจจะแพ้เป็นอ่าพอดูเรื่องอย่างนี้หลวงพ่อ ก, ก็เลยไม่ต้องพูดเรื่องอื่นไปเพราะว่าเราจะพูดเรื่องสูดสําเร็จการปฏิบัติธรรมไม่ใช่พูดสําเร็จในปริยตัติอันนี้สูดสำเร็จสกิดมาจากญาณของปัญญาให้เราดูจรินเห็นจินตามควมเป็นจินเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อ ก, ก็เลยเดินตรงกรมไป เย็นมาแล้วไปอาบน้ำมาห่วเพ่อไม่ไม่เคยเห็นของมคิดเดินกลับไปกลับมามันคิดขึ้นมาสองครั้งสามครั้งหลกงพรู้ทันทีมันคิดเราเห็นเรารู้เราเข้าใจเราสัมผัสแน่แน่นกับมันได้เนี่ยแต่กนเรารู้รู้แล้วเข้าไปในคองคิดมันก็คิดเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เห็นรู้รู้แล้วเข้าไปในของคิด แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้พนะอดีเราเห็นเราดูเราเข้าใจสัมผัสแนบแน่นอยู่มั น, ม, นมันคิดปุ๊บเห็นปับ๊บมันคิดปุ๊บเห็นปับ๊บมันคิดมนาะเราเห็นมันหยุกทันทีความคิดมันไม่ฟุมไปเลยเหมือนกับน้าทาอ๋อน้าเอาน้าน้ําที่เราทํานาทําสวนเนี่ยควายมันเดินไปตามถนนขนทางเราไปเห็นน้ำท่วนา เราเข้าใจว่านา้าขุ่นน้ำไม่ได้ขุนเลยตะกอนต่างหากมันทําให้นา้าขุนเราลึกใจกันง่ายๆอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่น้ำไม่ได้ขุนในวัดตะกอนมันมาอาศัยอยู่กับน้ำตมเลนตม้มฝนถ้านานๆมาแล้วตมเลนตมน้มฝนในวัดต้มนูน่าปะสะอาดเหมือนเดิมดันงนั้นหลวงพ่อก็เลยเขา้าใจตรงวัตถุเห็นภายในใจเห็นไม่ใช่ตาเห็น ใจมันรู้ใจมันเห็นใจมันเข้าใจนี่ทุกข์ของมันเป็นอย่างนี้เห็นวัตถุวัตถุหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกจะเป็นต้นไม้ภูเขาห้วยหนองคลองบึงก็ตามที่จะถูกโ ด, ดยมีอมองเห็นด้วยตาเป็นวัตถุทั้งนั้นเสื้อผ้าเงินทองเป็นวัตถุทั้งนั้นเพราะมันมีจริงบางทเนื้อหนังก็เป็นวัตถุบหมือ น, น มันมีกิ่งกิมบุกเรียว่าวัตถุปรามัดบันปรามัดหมายถึงของกิ่งกาลังเห็นกําลังตนกําลังมีอยู่นี่สัมผัสแม่ไม่มีกําลังเป็นปรามัดกําลังต็มนะป็นปรามัดไม่ใช่เป็นอดีตไม่ใช่เป็นอนาคตนึ่อาการหมายถึงสภาพความเปลี่ยนแปลงไม่จะเป็นวัตถุภายนอกก็เปลี่ยนแปลงได้เป็นวัตถุภายในก็เปลี่ยนแปลงได้ยังรูปกายแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ จิตใจก็ปลียนแปลงได้เป็นอย่างนี้เรียกาอาการของมันเปลี่ยนอันนี้เป็นสูตของการรู้เรื่องยุทธศาสนายาตตต่อคนอื่นจะรู้อย่างไงไม่ทราบพอๆหลวงพอ่อพูดความิงใจเพราะว่าทุกคนมาที่นี่ต้องการปฏิบัติให้รู้อันนี้เลยอา น, นิสงส์การเข้าพรรษาของพวกเราญาติโยมมาทําบุญวันนี้กดทิ้นเดียวกันถ้าหากไม่รู้อย่างนี้ก็แสดงว่าการเข้าพรรษาของเราไม่มีอา น, นิสงส์เลย ถ้าหากเป็นนักทำปีโกมหาตะลุนสอบรายได้ความมีอานิสงส์บันดนี้เรามาปฏิบัติธรรมะถ้าหากไม่รู้อย่างนี้ก่อนแสดงว่าเราไม่มีอานิสงส์เพราะเราไม่ตั้งใจถ้าเราตั้งใจเว้วอะควรมสาเร็จดูที่เราตั้งใจไปปฏิบัติธรรมะยกนั้นมีพระยี่สิบรูปมีโยมห้าคน รู้ไม่เหมือนกันพ่อขอมตั้งใจไม่เหมือนกันหลวงพ่อก็รู้อย่างนี้แต่คนอืน่นให้รู้อย่างไรไม่รู้หลวงพ่อเอาความจริงที่หลวงพ่อรู้มาไม่ต้องอาศัยกำรังําราใครจะว่ามีในพระไตจุดบกก็ได้ใครจะว่าไม่มีในพระไตจุดบกก็ได้คนใดที่ว่าไม่มีในพระไตจุดบกก็แสดงว่าคนนั้นยังไม่รู้าารก็พระพิฆเนศองค์เสด็กให้มีสติกาหนดรู้ในอุนบยบททั้งสี่เยี่ยยืนเลยแน่นอนนั่นแหละพระใจจุดบก พอเราเท่นะเราก็เลยไปภาวนาบทใดบทหนึ่งพุโทโธทำโมอลหังพองุ้มไปเรื่ผลจิงไปไปอย่างนั้นพอดีเลวงพอ่อรู้ยังนี้หลวง ก, ก่อเห็นรู้เข้าใจโทสะโมหะโลภะหลักปณะโทสะมาเป็นอย่างนั้นหลักปณะโมหะมาเป็นอย่างนั้นหลักปณะโลภะมาเป็นอย่างนั้นนามมันดีอยู่แล้ว ตะกอนมาเข้ามาแล้วก็รู้ทันทีที่เพราะเรามีสติมีสมาธิมีปัญญามีติดตัวตึงตัวมีติดใจตึงใจอยู่เสมอไม่ใช่เป็นคําพูดอย่านเห็นต่เป็นคําพูดจะให้รู้จริงเมื่อรู้จริงแล้วก็มันก็ไม่มาลกอ่นแล้วตัววิญญาณก็มีอยู่สัญญาก็มีอยู่สังขารก็มีอยู่วิญญาณก็มีอยู่แต่มันไม่ทุกข์อันนี้เขาว่าขันซี้หรือ ล, ลูกซี่ก็ได้ คือว่ารู้อุนานสัญญาสังขารวิญญาณเขาเรียกว่าขันห้าเขว่าขันสี่ 5, ขันห้าขันสามขันสองขันเดียวมันต้องรู้ตามขั้นตอนที่เราเรีนมานั้นถ้าหนักผิดจากนี้จะแสดงว่ายัางไม่ได้เข้าสู่ตัวนี้เองเพียพอดีหลวง<น>พ่อเลื่อยอย่างนี้น้ําหนักตัวหลวงพ่อเองหลวงพ่อวัดไวร้อยกิโล เบาขึ้นไปงันทีโดินยันน้อยต้องหกสิบกิโลหนูพ่อข้าจวจียวหลวงพ่เบาขึ้นแปดสิบกิโลขึ้นเหลืออยู่ยี่สิบกิโลเท่านั้นเองร้อยกิโลหลวงพ่อข้าวใหญ่หนุ่มพ่อเดินกลับไปกลับมาเป็นพระได้แล้วนี่คืเป็นพระแบบนี้มันเป็นแล้วเป็นแล้วในคนทุกคนสิน่อันนี้หมวดสิ่งทีเป็นเครื่องกำจัดสิเลส ย, มยามยากสมาธิเป็กเครื่องกำจัดกิเลสยมกลาง ตัญญาจะเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างละเอียดหลงพอเข้าใจไปอย่างนั้นคิดใปเกอนครั้งนั้นหลวงพ่อรู้จากว่าหลวงพ่อเป็นพระได้ผมก็ยาวนึกกายเจนอย่างนียโอ้เป็นพระได้แล้วรจากมรรคผลขึ้นมาทันทีเดินกลับไปกลับมาไม่นานเลยก็เลยเห็นเข้าใจสัมผัสแนบแ น, แ น, น, นบ่น่โหลกตัญหาอุปทานอับหนสูตรของมันเป็นอย่างนี้ ไม่ใช่จะยกตกแล้วไก่ๆมันติดกันไปเลนี่มันรู้อย่นพอดีรู้อย่างนี้ปันจางหายไปมือกับเราลางเัื้อลางผ้าที่มันสกปรกมันของสกปรกมันจางไปจางไปจางไปผ้าเราก็เลยสะอาดขึ้นมาอันจิตใจเราก็เหมือนกันเราพยายามทลุก้นเกล้นขวดก็ได้อะไรก็ได้เอาน้ําไว้เออตะกอนมันทิ้งเมื่อตะกอนมันทิ้งไปในโลกกระปิ้นน้ำสด วัดมีแต่ปัญญาลวนร้วนทันว่ายังนงบั้นี้น้ำมีอยู่ดังนั้นตะกอน็มีอดน้นมันก็โกโกปะตนกันอยู่อย่างนั้นจิตใจไม่สะอาดเลยในปีนี้มันพกกราลยรู้จักมักผลขึ้นมาทันทีเลยจริงจริงมันจัดการกับโทสะโมหะโลภะได้บันี้เราวัดมาก็ตามยากเย็แต่รักษาโอบอกถึงก็ตาม ห้างหาบับวชเข้ามาก็าปีสิบปียังโทสะโมหะลบคนก็แสดงว่าวมีแนะ็่สิ่สังคมเท่า น, นาั้น่ัวสิ่งที่กี่หนึ่งยากเยกโองกันแต่รักเราโยกศิลปไปทำอะไรก็ตามถ้ายังมีโกรธขึ้นมาแล้วก็สแสดงว่าเรามีสิ่สังคมเท่านะั้นสิ่งกำจัดกิเลสไม่มีดังนั้นพระพุะทธเจ้าป์จดเครื่องกาจัดกิเลสอย่างยา สมาธิเป็นเครื่องกำจัดจิริอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกำจัดจิติเดอยาละเอียดอย่างเข้าใจยันเพราะโทสะโมหะโลภะถูกต่อยไปแล้วกิตเด็ันหาอุปทานกรรมใิจางไปแล้วสิ่ก็เลยปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นสิ่ก็คือปกติเุกอยถ้าพิดปกติบ้านหลวงพอเดกคนจึงบ้า <c oughs> มีปกติในข น, า ไ, นาไหนเวลาใดนั่นแหละ ว่าเรามีสติเกิดปกติไี่ใช่มีแล้วในคนทุกคนแต่เราไปทิ้งปกติซะเราเลยไม่เห็นปกติอเมจุศิลป์กระเด็นตะพุ่งขึ้นไม่ได้เป็นอย่างไัดันงนั้นเรามาที่นี่วัาสนามไหนปีนี้ เ, ออเคยูดกับเพื่อ น, น, นเื่อนต้องเป็นคนจริงถ้าคนไม่จ ร, ริงหลอกและออนแอปฏิบัติก็ไม่ก้าหน้าถ้าคสงก็ไม่กล้าหน้า ยากิโยมมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมก็ไมก้าวหน้าเมื่อไม่ไมก้าวหน้าก็เัีเวลาการงานของพวกเราเรามาบวชมาสู่ศาสนาหรือทำให้ผุ้กศาสนาเจริญจะเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนเอาจริงพูดก็จริงทำก็จริงไม่โกหกตัวเองไม่หลอกวอ ล, อก ว, องลอกวงตัวเองบางคนไม่โกหกตัวเองหลอกลวงตัวเองโกหกคนอื่นไม่ได้ กวหตกลัวเองว่ายังไงก่อนนึกว่าจะทำอย่างนั้นไม่ทำไปทำอย่างนั้นนึกจะพูดอย่างนี้ไม่พูดไปพูดอย่างนั้นแสดงว่าเราไม่เห็นจิตเห็นใจตัวเองคนไม่เห็นจิตเห็นใจตัวเองท่านว่าคนลืมตัวหลงตนลืมตัวคนหลงตนลืมตัวมีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับคนไม่มีชีวิตท่านว่าอย่างนั้คนใดไม่หลงตนไม่ลืมตัว คิดถึงการทําการพูดของตัวตั อ, อยู่เสมอ น, นั่นแหะคนนั้นเร่อมันสติกันว่าย่างไนเราสวดกันดีเป็นกระจับว่าพุทธาโนพุทธังสามารถศีลทิฏฐินพูดตะตโลตามพระพุทธเจ้ามีศีลทิฏฐิเสมอกันเราสวดกันเมื่อเราเห็นเรารู้เราเข้าใจมันก็นรู้ก็เห็นเหมือนกันกันกนกบพระพุทธเจ้าอย่อันนี้เรามันมีบทพูด พูดร้อยคำพันคำเงื่นคำแสนคำสู้การกระทำขั้งเดียวไม่ได้การกระทำเนี่ยถ้าทำผิดก็ไปผิดทำถูกก็ไปถูกไปย่งังไงตั้งใจวันนี้เป็มันเข้าพรรษาแล้ววันสนามไหนต้องเข้าพรรษาที่ผมพูดตอนเ้าที่ทับนี้งวนผมบอกว่าอ่า คนใดไม่พอใจไม่ฝึกหัดนีมันไปได้ก็พูดตอนเช้ามีโอกาสที่ประจันพรษาที่อมัไนได้คนใดพอใจฝึกหัดตัวโองอยู่ได้คนใดไม่พอใจจะมันอยู่ทําไมมันเสียเลยลวลามันปิดที่นั้งมันเตืนที่ของบุคคลผู้ที่มีศรัทธาแล้วก็มาทําให้คนที่มีศรัทธาเสียไปพวกเราวัดสนามไหนก็คล า, า, ายกันตัวเดียวนี่เพียงจะเขาไปจ่าเลย เราต้องตบโลงข้าพันศาต้องติดใจเส้นแขนพูดก็จิ่มทําปจริ่มถ้าทุกคนอยูทีนี่จุกคนลูบดูดีสุดดุ่มถ้าทาจริงแล้วผุดกันอากไปเป็นผูสอนคนได้อันนี้เลือกเข้ามาเราไม่เจ็บพูดการสอนไม่ดีนี่นมันไม่รู้เนี่ยเพราะยานปัญญาของวิปัสสนายังไม่เกิดขึ้นอาศัยการรู้จนรูรร้จักยังไม่รู้เรื่อนยังไม่รู้จริง ไสร้ายมรรคพผิดไป แ, พพไปและความรู้ที่มีน่ะเกิ ด, ดขึ้นไม่ได้เพราะเราไม่สนใจนั่นเองเราไปสนใจเรื่องอื่นมากเกินไปนีน่รู้อย่างนี้นกกนเรื่องหน่ท่านคนงรู้ย่อมีปกติเรื่องหนึ่งคนรู้สิงขันจะมาเที่ขันปัญญาขันไม่ใช่อธิสิทธิ์สิขาอธิกิตติสิขาที่ปัญญาสิขาอันนั้นไม่เป็นตำหนักผู้วด อธิศิทธิกศษาอธิปิฏฐาสิษยาอธิปัญญาสิกยาเมื่อขันสามหลวงพ่อคือศิษย์ขันแต่เมื่ที่ขันปัญญาขันเจะาหลวพ่อไม่รู้จเจ้า ห, า, าหลวงพอูดตามภาษาหลวงพ่อเองขันถ้าขันดีนะปักางามกว่าได้กิ่ถ้าขันแตกตักางามไม่ได้กิ่นนะมันรั่วที่หมดไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันควรตั้งใจ ไ, ม, ไม่มีรมุ่งมั่นตัวขึ้นได้ยังไงถ้าขันดี ควตั้งใจดีตักงานก็ได้กิงถ้าขันสวยๆตักเท่าไปให้พระใส่บาตรให้พระกินก็น่ากินถ้าขันจเจ็บกวดตักอาหารให้พระก็ไม่อยากกินเราต้องทําให้ขันเราดีโดย ส, สิ้ขันจะมาที่ขันสัญญาขันขันตัวที่ตัวลองรับต่อสูอารมณ์ต่างๆได้เป็นก็ลงรู้จากสมถะกรรมฐาน ยิ่งจะมตนาภาวนาขึ้นมา ท, าทันทีสมถากัมมฐานเป็นทางสุดนี้ก็เป็นทางปัญญาทางไปทางสงบอย่างเข้าใจยันเมื่อทำสมถากัมมัฐานให้ใจิตใจสงบเราอก้าตุรักขึ้นมาพิจารณาให้ปุญญาปัญญาอันนั้นผูกในกำรางแต่เมื่อสู้สุดสำเร็จอย่างที่เป็นข้อพูดมานี้มัเนเป็นสู้อันนี้ไนมะ่ต้องยกอะไรขึ้นมา มันเกิดขึ้นมาเองโดยปราะกฏของธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นที่หลวงพ่รู้มันพอรู้อย่างนี้เราเข้าไ้รู้สมถะรู้ปรสนาภาวนาขึ้นมาสมถะมันไปทางสงบม่นฝุดทางมันไม่เกิดปัญญาพอดู้อย่างนี้อันนี้ขึ้นมาก็เลยรู้ว่าการทําบาปการทําบาปด้วยกาย มันนมงม้งานมั้นลิกรูินไแต่ละคมไหนงานกี่ปีกี่เดือนกี่วันใหนผเข้าใจยังไงมาด้วยทำบาปด้วยหลาจาเราทาไม่ดีพูดไม่ดีเลยทั้ ง, นนงานั้นเลิกดูดินตายแตแล้วไปแตลคมไหนงานกี่ปีกี่เดือนมันนี่ทำบาปทางใจมใจมันคิดตัวนี้ทำอะไรแต่ใจมันคิดไม่ดี ค, ดดคิดเป็นอกุศลไม่คิดเป็นบาปนั่นเอง ถ้าอยากนั่งรถยูจินตายไปแล้วไปตรงนี้รถขุ่ไหนนานปีปีปีเดือนเนี่ยเข้าใจยังมันไม่ใช่เขา้าใจยังมันเห็นมันรู้มันเข้าใจด้วมันลบมีจีนทุกยูจินสุดยูจีนตเราก็ปฏิเสธมันไม่ได้ที่เราพูดพูดเนี่ยพูดเปสเป็นจริงจริู้แต่ยังไม่จริงจริงคนอื่นมันจะรู้ยางไงเราไปไม่รู้ด้วยยังแค่ตั้งใจมาพูดให้ฟังพูดเคนจริงและเป็นสุดที่สาคัญที่สุด ไม่ต้องไปศึกษาเล่าเรียนพระไตปรปิฎกอะไรกันมากนี่รื้อันนี้ระบานี้ก็เลยในทางตรงกันข้ามทำบาป้วยกาย้วยวาจาโดยใจพร้ อ, อมกันถ้าหากนรกมีจริงตายประจบนรกกี่ปีกี่เดือนกี่วันก็ใหญ่บานนี้ในทางตรงกันข้ามทำดีโดยกายถ้าหากสวรรค์มีนะ มราไปเกิดสวันอยู่กี่วันกี่เดือนกี่ปีเราจะรู้เองไม่ต้องถามขายลสันทิปโกอันพูดรู้กับพูดเห็นเ อ, นนอ่านสอนไ้ยังไงแต่เราไม่เข้าใจเราเพียงไปสวดมันเท่านั้นเองเามาดูธรรมด้วยวาจาพูดดีผู้ร ด, ดจากขยลด์ น, นิดน้อยตัวเองแลพูดจากขยลด์นิดน้อยเพือเ่อนสูงตัวธรรดีด้วยวาจาท่าน น, นักสวรรค์มี ตายไปแล้วจะเกิดสวรรค์ตั้มไหนงานคือคี่ๆๆๆเดือนรู้จักเห็นแย่งรู้จินตามความจริงจริงอย่างนี้อันนี้เป็นสตรของการปฏิบัติอานาสงการทำกามรู้สึกตัวมันรู้มนันจะมีมาดูรู้จิตใจคิดจริงคิดกับท่กมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาทุกเพดทุกวัยที่หนักสวรรค์ไม่ผานมี ตายไปแล้วจะไปเกิดสวรรค์มีฐานสั้นไหนนานกีปีกี่เดือนแล้ ว, ลออลวจะลุ้เอวไม่ก็ไปถามไข่เพราะอาศัยยานสัญญาอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าว่าอะไรกันนี่คือพุพทธิเนี่ยพุทธาไม่พุทธธรรมเนี่ย พุทาธานุพุทธังสามารถสีบทิถึงกันผู้ศรัทธาตามพระพุทธเจ้ามีสินบทิถิเสมอกันเราจะมีต้องเห็นต้องเป็นต้มีเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าถ้าให้อย่างนั้นไม่ถูกต้องที่ที่ผมพคยพูดแล้วคำคำหนึ่งที่เราสวดกันแต่เราไม่สนใจสัตวทั้งหลายคือเราประทพบคดทันัตทั้งหลายเหมือนเราประทับคด สัตทังหลายเป็นตถาคตไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นสาวกสุทัตตามรอยของพระพุทธเจ้าไปเราจะมีอย่างนี้ใครที่ส่งริงท่านสอนเอาไว้ว่าสัตทั้งหลายเราเพื่อเป็นตถาคตไปถึงแลเห็นนั้นแล้วจึง น, นมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายเปร็นตพปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ ก็จะรู้างเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราแต่ทศนนยมเราไม่ทําตามเราจริงไม่รู้เราจรงไม่เห็นเราจริมไม่เข้าใจมาไปทําอย่างอื่นเพื่อว่าเราทำถูกต้องแต่มันถูกต้องอย่างไม่รู้มันไม่ใชถูกต้องอย่างผูู้ดังนั้นการศึกษาและปฏิบัติต้องพูดจริงทำจกิงมีหนังสือธรรมิจารณ์หลวงพ่อได้อ่านดูว่าผู้ที่จะลงปฏิปทาสีอย่างถูกต้อง ให้ติดต่อกันเหมือนเด็กโซ่อย่างงานจุดตีอย่างการจุดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงสิบวันอามิสงไม่ต้องพูดเลยนับเป็นพระอรหันต์ถ้าหากไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ต้องเป็นพระอนาคามีในชาตินี้อหน่อยเกิดเป็นอะไรเราไม่รู้เพียงพูดได้ไม่มีญาณขึ้นมาตัดสินให้เรา ทำอย่างนี้แล้หลวงพ่อถามเป็นของที่ให้เกิดญาณปัญญาเมื่อมาถึงที่ตอนนี้หลวงพ่อก็เลยรู้เข้าใจเหมือนกับสมุสทซาเรนี่เองมันสว่างนี่สมมติตอนนเนี้จับปั๊บดับทันทีนี่มันหยุมันจะกดสว่างขึ้นมาทันทีหลวงพ่อรู้เห็เข้าใจอย่างนี้โออทุกคนต้องมีว่อย่างนี้หลวงพ่อเข้าใจว่า มันเป็นอย่างพอดีหลวงพ่อเห็นเหตุการทําบุญด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจคล้ายคๆคนแป๊ดพุ่งมาเขา้าช่วงกันทั้งหมดเลยเหมือนกับที่มีเลือาหรืออะไรบาทเนื้อเรานี้ตามปกติเลีอดมันมาออกปากบาดบาั้นที่เลือกดมันเลือดหนาหามีตับคืนเข้าไปสี่สภาพเดิมของมันทั้งหมดเลยมีตัวเป็นหนึ่งตัวทั้งหมดเลยหลวงพอเกิด ตู้เต็มเหมือนกับหลักแด่บ้านหรือคนหลักแด่คนเรื่องใหม่หรือแด่อไปอย่างนี้หดเข้าไปหมดตัวเหมือนกับสัมฤทธที่แห้งไม่มีนม้ำเลยมีฆ่ากันไปอย่างนั้นเราจะรู่ว่ตายแล้วก็เจอเทไนไฮท์อะไรเราจะรู้ที่ตรงนี้เองนี่ก็ทุกคนก็อมาพี่นี้ยึดแบบนี้ไปมาได้ทุกคนมันต้องตายเม่เราไปหดเกิดกคนตายเน่าเข้าลงยึดเหมือนตายเน่าเข้าลงก็ตปหดไปดนะ ก็วควรตายอันนี้เราไม่เห็นนี่เป็นยังนี่นทางไปหาพระพุทธเจ้าวควรขึ้นทุกมาที่ตรงนี้เลยแต่ทุกคนต้องกระสุดลงนี้วจากนี้ไปไม่ได้จะถือศาตอนาไหนแล้วที่แบบกตฐานเด็นพระสงฆ์อง์เจ้ากตฐานถ้าหากไม่รู้อันนี้ก็แสดงว่าเหายัางไม่รู้เรื่องหลักพกกระพุทธศาสนาสอนแค่ไหนเราพ่อรู้อันนี้แต่นเท้าเดินขึ้นหุบ เคยดิงจากสองมือถุกตัวคนยืนของคนเดินบนดินอยู่แต่มันตปอย่างวใบสมุดที่ไม่เคยมีเลยแต่ทุกคนทีประสบเดินีๆควรจะมดลมหายใจดีๆหลวพ่อเคยเปรียบด้วยอย่างที่ซาราขเราเนี่ยเราเคยเดินลงไแเ้วก็ไม่เจ็บแขนเจ็านโตจัดลปกระยั่งประสาทคนไม่เคยกระโดดเอาหัวลงตักลงคอหักตาย อันนี้ก็เล่กันนี่เราจะตายหรือเราจะเสียหลักที่ตรงนี้ถ้าหากเราศึกษาให้โลื่อนเห็นตนไตว้ในขณะนี้เราจะสบายใจควรทุกข์จะไม่เกิดขึ้นภายในใ จ, ใจนี่หลักพุทธศาสนาสอนไม่ใช่ว่าสอนตาแล้วที่จะเอาควัมที่ผหานอันนั้นมันเรื่องของคนที่ปรารถนาอ้อมวอนเอาเรายึดคิดควรสุกเพือนว่านึกคิด เราไปติดเรื่องอดีตรเรื่องอนาคตอดี ต, ดตท่านก็นว่าแกไม่ได้อนาคตท่านก็นแกไม่ได้แนวนั้นเราจะเอาอาดีตอนาคตไปไว้กลกันเราต้องเอาอดีตอนาค ต, าตกับปัจจุบันเข้ามาใกล้กันเอาใกล้โดยวิธีใดเราทําผมรู้สึกปวดที่ไล่เรืก่กงแล้วไปที่ข้าให้มันเป็นต้องิดหยุดมันจะมาอยู่ด้ยวยกันทั้ง มันจะมาเวียนตัวกันเข้าจะควรยืดสุดควรควรยืดสุตั ว, วมรกกมากขึ้นมากขึ้นควรไม่ยกหายไปหายไปเตีนแต่ทุกคนต้องตื่นได้อันนี้ไม่เป็นของใครเมื่อเรายืดอย่างนี้เราควรยืดเองเห็นอุโมทสัมพิทิโกอันผู้นี้นจะพุกข์เองๆๆอาการยืดโค้ไม่ประกอบการและเวลาจะตป่นยืดในสมัยใดก็าตามจะมีพผู้เชี่ยวมาสอนก็ได้ ไม่ดีเท่าที่เจ้มาสอนเขาได้เพราะท่านสอนไม่ดีแล้วแต่เราไม่ทําตามเพราะนั้นเองเราไปตุกพิธีหรือสาสนาทิธีลีตองอะไรต่างต่างตัวจริงเราไม่เห็นไม่ได้ทําเมื่อไม่ได้ทำตัวจริงเลยตัวจริงก็เกิดขึ้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นที่หลวงพ่อนํามาพูดเทศเน์อย่างนี้มันเป็นสุด ส, สํญญญาเร็จเมื่อเรียงก็ได้เพราะมันมีจิตใจของเราแล้ว นี่ก็ว่าโสดสำลุรเป็นอย่างบบนั้นแย่นี้อันนั้นมันเป็นโสดคําพูดอันนี้เป็นโสดเปนอารมณ์เป็นโ ส, นนสที่มีตัวของต น, น, นพูดต้อ ง, งเป็นอย่างนั้นต้องรู้อย่างนี้เพราะเราเดนินไปหาพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าต้องเป็นอย่างนี้เร ต, ต้องทำอย่างนั้นเนี่ยเกิดขึ้นอย่างนั้นถ้าไม่ทําอย่างนั้นเกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นเราจะมาทําติกเป็นวะเพราะคนไม่เหมือนกันไม่ทำไม่เต็ม แต่ว่าคนมันไม่มีตำราพวกคนนั้นไม่อยู่จะไปโทษเขาไม่ได้เพราะเขาไม่รู้พวกเขาขิ้นตำราเพื่อเขาไปคึกคํำพูดก็เลยไม่รู้เองตำราเดกว่าให้เรามีสติคนไม่มีสติมันจะเลยเดี๋ยววันนี้จําเป็นต้องพลิกมือลองดูจะรู้สึกไม่รู้สึกอันนี้ป ว, วดรู้สึกปวดยกมือไปเอามือมาเด้งหน้าถอยหลัง ยอจากตัวเองมือหนึกมือไออวห ว, นนว้ตัวเองได้หลวงพ่อยกมือไหว้ตัวเองเขาต้อหวานิ่งเนี่ยหลวงพ่อยกมือไหว้ตัวเองก็ไม่ใช่ยกมือไหว้มีจังหวะมีจังหวะหลวงพ่อฝึกให้มีจังหวะทั้งนั้นยกขึ้นก็นมีจังหวะนั่งลงก็มีจังหวะไหว้ตัวเองก็มีจังหวะนั่งธรรมดาก็มีจังหวะถุกกันไว้แต่มสมัยลงพ่อเปโยหลวงพ่อรู้ธรรมะอันนี้ว่าหลวงพ่อมาสอน ที่สอนน้องเป็นเด็กปีที่สองปีที่หก็ารมณ์เจอวันหลวงพ่เอเราไม่ได้ทําอย่างที่เราทำํำหลวงพ่อต้องเข้าห้องกรรมฐ า, านหลวงพ่อไปสอบอารมณ์คนเดียวไม่ต้องพูดกับใครเลยพิทุตหลวงพ่เตัวเองสงิอันนี้เราไม่ได้ไปสอบอารมณ์กันแล้วก็ต่ อ, ตอยกันไปทําไปทําไปมันมีจะเปลี่ยนแค่รู้ดังนั้นวัดสนามไหนตีอย่ากให้พวกเราเจกกัน ยึดผ<บ> <PTSD> well. ิดก NO. e ันวิดผีตายึดผีไหว้ยึดีพูดกับคนวิดผีสอนคนรู้ยึดผีสอนคนอ่อนนอนท่อมตงอันนั่นเป็นวิธีที่วัดรู้ทำมารูทำมาละมีอมางะมือทิพถุอันนั้นรู้ผิดรู้แลเห็นผิดวัดสำมาทิพย์กับนิทธาทิพย์นิทธาทิพย์ก็เห็นทุกเมืกันจ่มันเห็นทุกตึงสุด มันประกอบด้วยโทสะโมหะโลภะถ้าหากเป็นสัมมาทิฏฐิมันก็ประกอบด้วยปัตติสทาธิปัญญาต้องอ่อนน้อมพร้อมตนลู่จากขัลนละประานที่ลู่จากขัลนละตบุคคลตัวที่จีประานที่กัตว์บุคคลลู่จากขัลนละตัวเองคนไม่ลู่จากขัลนละตัวเองเนี่ยมันจะลูมม่มือไหวจิตใจแบบไม่ดีใจในทิศอุสาการ้อนทําได้ อันนั้นไม่รู้จักสถานที่ไม่รู้จักขลรพตัวเองตัวเราพุทธอยู่เราควรพุกธจริงๆอนะเราไม่รู้ไหมเพื่อเหนทุกธเป็นสุขเห็นผิกเป็นถูกเห็นทกข์เป็นดีฉันว่ายังไงทันนี้นนให้เข้าใจทุว่วพระสงฆ์ด้วยกันแล้วก็ญาติโยมมาฟังธรรมะวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาต้องทำให้มีอานิสงส์การเข้าพรรษากิิงน ให้เราพวกเราไม่ทำให้อนิสงส์การเข้าพรรษาเสียทีทั้นที่นอนเด็กมดที่อยู่นเตียงพวกคนไม่เอาจินเอาจังมีการพูดเล่นทน่านเองเกิดคนไม่ได้จำอยกคนนั้นมีคนอยู่ทั่วแต่ทุกคนนี่นะที่หลวงพ่อพูดเนีนต้นเลื่ของจริงเป็นสูตที่สำเร็จลูกมาโลกสองต้นขงที่สุดของพุทธจริน เมื่อถึงที่สุดแล้วยาหย่อนมีท่านตับอะไรยังไตัวว่ามันขาดกันแล้วยังมียาขาดออกจากกันหมดแล้วยางน้อยต้องห้านาทีหรือสิสนาทีทมีจวมียาบอกให้เราอะนทางไปหาพระพรุทเจ้าเ่ะอะไรก่อดีนะาราบพบอะไรสึ่งไปทั้งหมดแล้วทมนมันุดแล้วตัว่อง ม, มันจะเป็นยางไเพราะว่าไม่มีิธิที่จะทาแล้วตัวเราต้องทธุระองเราเนี่ยมันเป็นยงไอันนี้เป็นสที่ มีน้ำที่สุดแต่คนใดไม่ปฏิบัติจะไม่รู้จะเพียงรู้ตำหนารู้แต่ว่าจิตใจบันยงไม่จิตเมื่อจิตใจเมื่อเป็นประโยชน์มนก็ได้ผล น, น้อยเหมืออกับยินดีคนอื่นมีนมเหวินล้วป็นคนเขาเต้เราไม่มีคนนั้นเป็นโตถือเพวกเขามีเงินไหลเต้เราเป็น ค, คนจนจะมีธรรมะให้เราเป็นโตกถือเหมือนกับเรบริสัทธ์เขาบริษัทเขามาถามเรื่องปัญหาต่างๆเราแก้ได้ เขาบริษัทหมายถึงข้างร้านหลวงพก็หนคนมาซื้ออะไรต้องถามอันนั้นมีไหมมีอันนี้เขาถามื่องพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นอย่างน้นนเราแก้ได้ถีไมจริงหรือว่าเป็นศสนาลิบปรลาจินตญาเราก็ได้แค า, าว่าไม่รู้จิตเราจะไปสอนคนให้คนหลงผิดสอนคนหลงผิดมันจะพาเขาไปผิดเจเอืก็ตสะพานให้คนเหยียดเราไปให้มันองมีไหมจริง ที่งพ่อนำคาคจริงมาเราให้ฟังสุดสำเร็จของการปฏิบัติธรรมอย่างลับักตึดใจเดียวก็ได้แต่ว่าสำคัญการงานเวลาหลวงพ่อพูดควจินที่หงพทำบาบะาสองโมงเนี่ยตี 2, ยสองไมนะ่ใช่บ้าสองโงแล้วนะตีสองหลวงพ่อลุกแล้วเดินชมคมเล่นทางานแล้วมงานเลยแต่กาลังการรักงานรั ก, นกหน้าที่ ถึงเวลาต้องทําอย่างที่เรามาทํารัฐเนี่ยคนใดที่เกลียดทำรั ก, ก็สเสดงว่าคนในนักการเ ม, ม, มืองรักงานถ้าพสุกเกลียดเหมือนกันนะหลวงพ่อไปเห็นไหนองค์นั้นถึงเวลาทํารัฐก็ไม่มาก็แสดงว่าคนนั้นจะปฏิบัติธรรมรัก้าหน้าทํามเลยมางที้เกลียดอยู่แลนี่มันไม่ก้าวหน้าเพราถึงเวลาไม่อาการเอางานอยู่แล้วารงานมันจะเกิดขึ้นได้ทำไมถึงเวลาต้องทําการงานของเราต้องทําน้ที่ของเรต้องทํา <c oughs> จะให้คนอื่นทำแทนเราไม่ได้คนอื่นทำก็คนอื่นรูที่คนอื่นไม่ทำคนอื่นก็ไม่ดูที่เราทำแล้วก็รูที่หมดนี้คนละอายเกิใจโอตบะรวมตัวโอตบะคนไม่มีคนลาอายในใจไม่กลัวคนไม่จะดพูดเรื่องของเราว่าเราดีเราพูดองั น, ก, น, นก็เป็นคนไป้ทำไมก็เป็นคนเท้งขาหน้าตาว้เท้าเป็นคนใจมันไมนกับมือกับตัว เลื่อยงานไม่ได้อย่างไนครับที่ผมได้มาให้ข้อคิดเป็นเครื่องเื็นจิตจิตใจในวันนี้ก่อนยกว่าทุกคนจําได้เราต้องปฏิบัติให้ก้เกล้ า, าจากกาเลื่อยจากงานเลื่อยจากเวลาเลื่อจากเขาเลบสถานที่เลื่อจากเขาเลรถโบุนคนุณเชื่อกินมาก่าเลื่อจากเขาวรถตัวเองนั่นแหละยกหมู่ล่าตัวเองเพราะการทําดีของเราเพราะเราดีขนาดนีด้เนี แล้วก็เห็นคุณมีคนงานของเราคุณมีคนงานของเราก็จะคอยสวา่ า, สวางขึ้นสว่างขึ้นเป็นอย่างไรหนัวใจสะอาดหิตใจสว่างหิตใจสงบหิตใจปกติเมื่อมีเปลืกตาเปลื อ, อจิตใจพองใสจิตใจว่องไวสามารถมองเห็นอะไรได้ทุกอย่างกันพ่อจังมองเห็นอะไรได้ทุกอย่างไม่ใชงมองเห็นด้วยตาใจมันเห็นใจมันเห็นทุกเห็นทุกว่าเป็นอย่างไร ดังนั้นที่หลวงพ่อได้มาให้ขอ้อคิดเป็นช่วงเปลี่ยนจิตสะทิกใจตอนทําวัดเย็นเข้าพรรษาวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเป็นเวลาแล้วท า, าริสุนธิ์อาตมาพร้อมด้วยพระสรฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่หน้าสถานที่นี้อาตมาขออ้างอินเอาคุณของพระพุทธเจ้าและถ้าทำคําตั้งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพัทเธเจ้าและคุณของพลังตาสาวกพระสัมมาสัพพัทเธเจ้ามาเติมจิตสะิกใจของพวกเราให้พวกเราได้เจริญลอยตาม ปฏิบัติตามอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าทั้งหลายเราเป็นตถาคตไปถึงแล้วเห็นนั้นแล้วจะนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจนประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะนี้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราจัดหกคนนี้จะรู้เห็นเป็นมีอย่างไรก็พูดสำเร็จหวงพวก็พูดมาให้ฟังแล้วก็รู้อย่างนั้นโดยคนจริงเราจะพูดกันนัคือจิตใจสะอาด จิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจปกติจิตใจท่องใสจิตใจว่องไวสามารถมองเห็นอะไรได้ทุกอย่างมีเล่าเหนือนทุกคนขอให้ทุกคนทุกคนจงประสบทุกเหตุผลในระยะเวลาอันใกล้นี้จนทุกทุกคนเธอ